มาละานเลี S <S <preach ers> ้งพระพุทขเ้อที่มาวจักโตหรือว่าเล่จากไฟเท็จตุอากต่อให้เท็จหน่อยนะเพราะเขาต้อิเท็นเพื่อจะฆ่าเพื่อแทนทายรมนาแอดที่พ่อโขอจิมะลูกขอาบอนจากหลวอให้ลูกมีความสำเร็จ แล้กอจะเาหวรมำต่อคพผมตับานมาอยากรบคนลูพ่อากห้พ่อช่วยดเากนี่ี่แลไปเลยอ้เ่วามเนานะมอีเร่ถามอะไเลยไรทีต้องกต่อไรแล้วว่าต่อไปว่าใอและแต่เวาูแกาอะไรรู้ตออะไร ก็่แทใรายจองด็กเออเราพาอะไรือว uh ่าเด็กหนีนั่นแหละเขาตั้งเพื่อบรรลุมรรคผลไม่ดีไม่ผูกกระดลกก็เลยจะเกิดเป็นใบหีก็ไม่แน่ใจดี่้ามแล้วพออยึกฝาเพราะเราม่รู้จักจดจ๊ะ เธอมาอะไรก็ได้มาดู <weigh S 1> ีสุเอ้นีนาตมาอย่นดที่สุจ้ดที่นอแคห้ท่าาเอาอาดี่ก็ดก็ตันึ่รัแต่ได้ดีก็ได้อาตุนั่งนอนนนาร้อา ที่านเองก็เลยทำบมญบ้างบางทีก็ตัดใจจะไปมองพ่อเห็นลูกพ่อแก่แล้วก็ไม่กล้ารบกวนเลยไปมนต์พระว่ามาแทนแหมนอมนเสร็จเอหนาโอ้หน้าื่นใจตั้งแต่คนก็นแล้วขายไมดีเลยละก็แบบนั้นดีแล้วก็แอบไปแล้วก็ ทก่ใช enfin in ่อมอขพานทนัก <entertaining> น well. <c oughs> ักพอเป็นพลูกลูลพ่อว่าจะเอาหรงโป๊ว่า่าลูกแก้แ้พระองค์นั้นจะได้ไหมคเจบพระเจยได้รองนั้นทรงมีนไม่ดีเลยขายไม่ดีอาแอบไปจ่ายเะายขายได้ได้ได้บั้มาวจริงาแล้วเฝ้านเย็นนะเยินตอหลายดีเง็นขานอะไรเลยเพื่ จา ก, าก้าแล้วก็อุตตร์กีวันที่เจ็ที่ผ่านมามีงานที่นนวัดข้าวสุนนั้นนะลูกก็มีโอกาสเดินทางไปในระหว่างที่เดินทางนะรูพระภาวนาไปจับภาพพระเชตเจ้าบ้ า, า, า, จ า, า, างจังบภาพหลวงพ้นนอแม่ว้างก็ปรากฏว่ามีดาวของดวงวิ่งไปวิ่งมาที่หน้ารถของลูก ก็มีความดีใจเปนอย่างมากก็เลยไม่อยากจะถามลุงพ่อแต่พ่อสงสยเป็นหาเลยว่านัดเป็นอะไรเ็้าพคุณดาวออกตามความจริงเลยก็เออเลาก็เห็นเป็นารันตาเจ้าเป็นก็เอายากระไดเแเมอนเหมือนกันเออกลางกลางวันไม่ต้องปลาต้อลาที่ไหนนตเพื่อเห็นแต่เจ้เห็นไม่ทุกคนนะ จำไปมเห็นมต้อเห็นถ้าไม่ใเห็นก็ไม่เห็นทีรู้จกจะบอกมลังมี่อช่วยบอกคเพอว่าทยังไงจะได้เห็นมันไม่ยากไม่ยากไม่ยากพ่แล้วราก็้ถอไเลยอเคไหมเคโ่อแม่นอนกันได้จังจังยังไม่เห็นแม่นมอจอะไบ้างโอ้โหไปดูยังไงแ้กันได้ แสดวองเราพ่อตอนนมีกำลัจมากใใช่ขมนต์ภาวนาเขดงในทางพฤตกรรมตลอดโอ้อีดยัะกคนตอแตอเวิบข้าหวออบหมคนไม่เขีนิดเดียวหน้ากระดาษเขอาลวอ หรอว่พ่อได้ไปเข้าฝัลูกแนะนำให้ลูกถวายสังฆทานประจาเดือนแล้วก็ให้ลูกอธิษฐานปฏิญาในหน้าปฐมบัณฑแมตื่ใจเป็อย่างมากแต่ด้เองลูกหวงคุณพ่อคุณแม่ที่ลูกรับไปแล้วลูกก็เลยมาทาบุญทาบุญฝโดยการถวายสังฆทานพุทาบัที่กนฝไปให้ที่จะเรียนสามคุณพ่อก็คือเอย่างนี้ว่าเพราะเหตุไร ผมทำบุญค you know, ุณใหคนโสดใ้ค you. ุณ uh. พ่อแต่ไม่ได้เอืชื่อคุณแม่อยากนี้คุณแม่แกจะโสดไหมตอนนี้รูกจะเปลี่ยนใหม่ขอให้ลวงพ่อและแม่ขอให้หลวงพ่อเมตตาช่วยบอกแม่จะโสดลูกด้วยนะครัเให้ได้ให้ได้ใ้ได้เจ้าะต้อตามึ้นปกติการสว่าเอาวิการเจ้าพ่อเแม่การวายพระานี้ก็เราได้เราเตร เราได้แล้วโดยเจนพาท่านโดยเจนมาท่านได้แล้วโดยเจนเราได้นอนนอนี่เขาเลยตั้งใจว่าตอนนี้ไฟทวกพวกเพือจะถวายสำนักทางเพื่อที่ให้ท่านพ่อและแม่ขอให้ท่านไปอทิศทานตามความปรารถนาด้วยเพอนสาธุขอให้พ่อได้ก็นะเนี่ยรางกาด้วยอันนี้อะไรอันนี้อะไร โอ้ยยยยเยยยยยย้จยยยยยายยยยยายยยยยยยยยรยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยัยยยยยยยยยยยมยยยยยยยยย้ายมายยยยย้ยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยงยยยยยยยยยยย ้าคาลดยอดทีก็ลบอางสเมื่อเดินเมื่อดูในยออุ้ป่วยหนักราะที่รอพ่อมามีวอรยอมามากมายวิญยานะวอร์ยอวออเลที่เบันัใครหไที่วิญญาอร์ยอวอร์ยอเม่อดูในยอนนรอพอมียอมามากมาย อ้าวิญญาณนั้นมีสองพ่อพ่อของลูกมาทำมาด้วยถ้ามาว่าอย่างนี้บอกว่าเออไปอยู่กับพ่อนะเนี่ยหกโมเนี่ยไปอยู่กับพ่อนะลูกสัว่าเดี๋ยวก่อนเจโมงลูกจะไปอ่าพ่อของลูกนี้ได้ได้เียญพญาพรไม่ว่าท่านมามดมีการเรียนถามี่ก็คือว่าอย่างนี้ว่าลูกจะปฏิบัติแบบไหอย่างไรที่จะทาให้คุณพ่อปูกใจ ไปอยู่กัท่านสบายยังไม่ไปอยู่กับท่านก็ผ่อสบายด้วยเล่าก็ท่านเข้ใจสบายอวิธีจะ้สบายนี่เท่าให้สบายสุดท้ายแบบนึงยดย้ายข้าไปเลายที่มันสงมันจั่มมันจัมันเรื่อเๆใช่ไหมนี่จะก็ะจายเรื่อยๆต้อเป็นทางบ้าถ้าใครน้าหาหลวงพอแล้วมุ่งจัดกจะเรียนร้อยเรีย ก็เแกแก่ไปยัไมาาบข้าวยุ่งลาบ้าวหงอเนาาาณตรงนั้นเฮตอนี้พี่ลาบเองเื่องจากว่าหนูได้มีโอกาสติดตามคณะหง่อไปจังหวัดจันทบุรีหลวก็่อจังได้หอเป่าครับจังได้หนอใครเดจันได้ยังไงหลวงพ่อ้บบวันนั้นน่ะลวงพ่ตามฝาก หลวงพ่อทมาแล้วก็แบ่งกันคนวเล็กตัน้อยให้แก่ลูกศาลที่มาในงานที่อะไรวัดเขาไผ่สตรยองพ่อจะพาลูกนำมาโดยาเพียงถึงวันปรากฏว่าทานหมากตายเป็นพระธาตุใหนึ่งวงแล้วอ่าดีสุดเจ๋งมาวันเดียวได้ละไอ้เนี่ยขอที่ห่ได้มากกว่นั้นพี่ผมได้าตองลารนูเหนเต็อดีเนายครับเป็นท่านมา ไอ้ผู้ที่แก้ก็ทำเหมือนกันนะถ้าเป็นยันผู้ถูกแก้เออถ้าเป็นแก้ก็จะเตียงแต่เขาพูดตอป็ว่าอ้าวเดี๋ยวนี้ยังไม่ใช่คนไรเัยเริ่มไปมีสีสองโอเคเลยค่ะเออค่ะแม่เลย เขาพูดาไม่ได้ไหมอคอพักรายเป็นคุยคุยคยขาวคล้ายๆกับอะไรพอัมหมาที่าในธรรโบกนั้นแหละเดี๋ยวนี้ท้ามหาทีหลวงพ่อได้มาเป็นไปแล้วรูปประการโลกทึ้งขอกราบขอบพระคุณในเมตตาหลวงพ่อหวังว่าหลวงพ่อคงจะทาให้ตอไปดีแนเมื่อเมื่อขอพระคุณมาขอพรได้ไหม เปงี่ยนเปลี่ยนิดเป็นไงเป็นดังแบมพระแนี่จริงกว่าบอกวคุณไม่ใช่เออพระแม่องนั่นนี่ยคุ่ไงเมือกีี้เอออใครสุงรานนี่แหมอะไรวันเดียวเป็นกระพาสคุพาใสสุดแค่เราะว่าตออกมาวอแอนเน่พามีกัรเลนุณกัญญาเกีย่อนเรื่องไทยคนละคนนะ บอกว่าวันนั้นลกระตายลงข้อไปด้วยเพราะพระภูษาไพ่ได้รับทานมาจากหลวงพปูตาแล้วอยู่ที่กลเป็นละองแก้วปูทาหมาปูมันภาคพุ้นแล้วเกินอาเ้ขอพระอนุโมทนาในเมตตาหลวงอมาเป็นอย่างสูงด้วยใชผมว่าจะไปที่ไที่มีคเศร้าหน่อยเอที่อะไรนะที่ภาคเียมหมาเยอะไงไปก็ต้อมองมาอะไรมาเยไม่เอเลยออหลว เรื่องเป็นไม่เป็นคนไหนเป็นช้าเป็นเรลเป็นไวเกี่ยวเนื่องไม่เป็นไรเกิดอารมณ์ใจกาลังใจมีที่กำลังใจไหมพลาดตาต้องมาตายตาตาารักไปนว่าของตัวนี้ก็มีผ่านตายตาเท้าหลงพ่อติ๊กโรคจังสงต่อตุ้ฟางแดงก็ว่าดี คุณพ่อวิเศษแท่งเขาตายแล้วตายไปแล้ววันนี้ลูกไป็ัการขอพระธานทานมาถวายทุกใหญ่ให้คุณพ่อแต่นี่ไม่ถามว่าคุณพ่อไายไม่ได้แต่อยากจะเรียนให้คุณพ่อทราบว่าลูกตั้งใจจะให้คุณพ่อด่วยแผ่เมตตาบารมีไปสงเคราะห์ช่วยเช้าพไม่ต้องหลับกันเลยเนื้อมากันลูใช่ เพื like s <S ่อเที่ยวเดินเขามเงินนดก็ไม่ได้ก็ต้องมาจุดมรรคแล้วเพื่องแคือเที่ยวเได้ได้รังนั้สดงวสถานการลุกลามเขได้รับเงนและได้ินแเงินมแค่อบาทก็ช่วยอแม่ได้ประภูมิาลุกนมากไปแล้มได้ก็เดือดนเพื่อะได้ เจ็บเจ็บก้อตีเจ็บอนตีเลย้องโถหญ่เลยนะห้อี่รัาลนี่ที่ที่เลื่องาจับอกคนที่ม่ถูกไมมีมันจะหมาไม่ถูกถูกข้ามาทั้นได้แค่ละปมาณหบาทส0บาทสามตัวเท่ะไรถือไปบอกก่อนถ้วเล่นสลากอนสิ้นถ้าเขาเล้วไม่เล่นถึงเขาเล่น ใช่ใช่อ่าหลวงพ่อครับก็นักีเป็นนักที่ไรที่ที่เลิกจังอธิษานนะเพ่อนนะพระคดีขอานะถ้าชาวเท้าและข้อที่เคารพยัูงลูกอานอีกหนึ่งเบอกก็แดนทุกขาไปีทุกขเกษตแมันมีทุกขเกษตรเยนะกับแนที่ิานนั้น เขาบอกว่าเป็นี่ที่เดยวกันลูกก็เลยไม่แน่ใจที่จะเรียนถามคุว่าเหมือนกันหรือไม่แล้วการที่ลกยังมีกิเลสหาปัญญาอย่แต่ถ้าทามุญตระเพาะอธิฐานว่าไปิพานธาตุีกทุกครั้งอย่างนี้จะพอมีสิทธิ์หรือเปล่าเจ้าค่ะมีสิทธิ์แล้วโเต็มไม่ต้องมาอก็ไม่ได้จะไปเราเขาตั้งใจจะไปหมดเวลาตายจะใจมันไปเต็มไม่ไป ใจตั้งว้งเนาอย่าดกจะให้อยากทุทีนะกอย่าจะไปด้วพ่นหันตากอยาไม่ได้ดปานแงก้องเลยโ้แค่วได้ใจตัวเดียวยดนนท่อแนะนํามายงตืนนอนแล้วใตืนนอนกหลับถ้าตั้งใจให้พ้นานก็แปลงว่าไปได้นะครับอาแต่ที่เืมาก็ง ว่าเงาเลยแล้วก็ทานซื้อีิลูกก็ได้ทานหมากไปด้วยแอยากจะยัถามหลวพ่อว่าไปยังไงมายังไงหลวงพ่อจึงทาทานหมากแต่ลูกสารฉันนอนเลิกยืนถ้าไปก็ไปเลิกยืนตอบก็แฝเลยเอ้าก็ถามไปยังไงอะน่าจะถามก็มีเหตุผลาอะไรกันเนี่อาครั ก็เพาอะไรดีาเ่ไปจนเฮลหลังจากที่รับขับไปแล้วใช่ไ n มก็มันป่วยอยู่ป่วยป่วยป่วยป่วยเย่วยมากเลยใช่ไหมเนี่ยยาวหักเห็นห้างนแข่งจ่มมาก้าแขอแขับับหลืเลย ขาเกามันด้กันโอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะัอทะโอ๊ะไอ๊ะโอ๊ะโไ๊ะโอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะโั๊ะโอ๊ะโอนัโอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะโอตะวอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะโเ๊ื่อ๊ะโอ๊ะโอ๊ะก็๊ะโอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะโแ๊ะอยู่วันโอ๊เโอ๊ะโอ๊ะ ได้มาเนี่เชื่อไม่ไหวเลยลูกให้รบโขกอะไกันโขกแล้วก็เกญ่กันให้เสร็จใช่ไหมก็เออมาจะันจะเชื่อมันไปกาใหญ่มาไก็ไปกันด้วยก็มาตั้งต้นทำที่นี่มาทำที่นี่มดบานเรื่องมาที่ประธูมณฑนี้กันท้ารูเมื่องราผู้บ่านมาบอกว่าเอานี้เวลากันของที่เธอต้องการแต่ม่นี้ไม่าได้ไมยมนั่งคือชาตรี ขาตีไม่เคยได้มาเนอะโอเคคือมีน้ำมันถ้าการก็จะมีน้ำมันขาตีไอ้กระถาน้ำมันขาตีไว้มันก็มวยหน่อยหนึ่งมันก็จะแรงนั่นแตกถ้ที่ี้เอันไม่อันเป็นนักเลยตกอันาที่อุ่นเป็นนมวยเพิ่ก็น้มันาตีแตหน้านิดนะมันชนะเนาะระยาเวลามัไม่จ็ด ชาตรีีเงินไหมอาบัติชาตรีนะใจใจเาเรียกชาตีเขเรียกสุบายเขาเรียกตอนนี้เป็นาท่านร้อขอขึ้นโดยผมขอทำเป็นบบขั้นชาตรีด้วย ไ, ไม่เคยมีทำไม่รวยทําม่ขั้นชาตรีข้าม า, า, า ย, ยากลากก็ได้ไปลอดภัก็ปลอดภัยสำเร็ดทุกอย่างแล้วก็โลุกหลานที่ชอบเก็งให้ได้หวยที่จะาเอาไปเอถ้าแบบนีูตื่นเนะ เออทขาตัเ็กเยอมันเคลื่อนเลี้ยวเลี้ยแล้วมึงหมอใจมีทางราฉันเนี่ยแต่ขาบวมบวมยังงอไม่ได้เป็นเียียู่เสมอไปขาอุบัติเหตุขาจัดไปได้ในปวดมากใช่เป็าอะไรที่ว่าข้าวแช่ก็มันกินมันไม่ขาไปเชี่วกินเลยขาเรเมิดเลยแล้วขาจัดยากคเห็นผลท่านตาเข้าขึ้นงอขาได้ หาโนได้แล้วจ็บที่ไหนไเอไม่เห็นตาไม่เห้นตาล่อล่อเบาพวกขมา่อะไรเขาจะไม่ทแต่พรนากองพระหน้ากองโยนแสงท่ดีเนี่พรแงได้ล่าลอกก็นได้ลักษณะลอกกันได้ล่วงกันกันได้อ่าเจ็บก็ให้ดีในที่ใส่ตไปอาจจะเป็นวาา อย่างเบนะอย่างเป็นที่ติดแฝดก็ท่าติดแเขเขาราทาหมากเาท่มีอาอะไรทผลก็นแบบนี้ใช่ไใช่ถ้าทำแรงมากก็จอกันไปเลยเรา้ราเราทีนี้เวลาที่ว่าจะเอาไปแก้คงไปชั้เจนี้อาจจะกินบระต่านหรที่ผมจะสมานได้หรือไม่แค่ก็ตกิดอยแล้วก็แก่น้หอยอกหอนั้นเหมาะกั่า แ ล, แล้วแ้วอาาจะพาุ่เขาไม่เกี่กันไม่ได้เราเราเอกอาณาาติไ่เกี่ยวกับของยุ่งเหยิงั้าดูดีนะท่าตนติดธรรมจนให้คอยนะดีมากาใส่เลยนะแต่ไมีประโยชน์นประโยชนอหลายอย่างมึนติดตัวก็ได้ใช่ต่อรักษาก็ได้โคต่อไปสมัยวันโคตรงปี้ิกจะเป็ีนใหมไ่เลยคยาวิพา์ ปว่างคได้ใครมว่าอะไรเลยเขาจะไปรู้แม่ก็เล่นเป็นหมือนพยยามคือจะรู้ได้ยัไงอ้ะ้ทีนี้มีอี้สิ่งบางคนได้สีางคนได้สีให้นตาลี่อ่าอาไหนแพงกว่กันหรือว่ายังไงประการใดอะเจ้าลองตั้งมือส่วนอ๋อเอกได้ตามไปก็ตั้งแล้วคนได้สีแล เหมือนกันละก็กป็นหนี้่เดียวกันอเ็เวลาทำก็ผงก้ได้ทำใส่ใส่เดียวกันแสดงว่าทัดดำทันแดงนะอานใภาพเหมือนกันประการโอ้โหที่จได้เนยก็ลูกการที่อยู่ใกลๆจะมนุ้ยหนุ่ยเ่ก็จะมีนุเน่ทัหมดแล้วแล้วไปกาหน้าต่อไปพอจะมีทัดตัวเจ้าฐานเกลือกใหญ่อ๋อท่าที่บบก็เวลนว่าจะได้ไปด้เ็ีนะ แล้วก <ologist. S 1> uh, uh, so ็กิน Th ัเก็คือว่าหลวขพอจะขาใต้ข้าขาหลวงพ่อไปสึวโรคตัววันที่สามสเขาทราบว่ามีอะไรจะพอเล่ายุ่งยากหรือไม่เพราะว่นนั้นไม่ได้มีโอกาสตามหลวอเลยมีขาเดิมขายขาายขาฉันขายเดิมเห็นข้าไม่ได้มีวิเศษเพื่อข้าคนมีบุญหาโมนีก็มีบู้นะไอ้ที่เขาไผ่เครื่ออย่านั้น อะไรท้าบุญแต่ท่าดันหนไป่หลังท่าเอญอยู่นะตอนที่คนมีบนหลังท่าแบบนี้ก็ไม่ดลต่บนไม่ขาเดินเออตอนนี้แปลกนะออต้อกว่าไปโลกขาเยิมมีอะไรตัวสที่มันนะอาขาขาขทีาเป็นแน่เวลาคือเรื่หายยากเพราก คนเข้าเพราว่าทเข้าแลอขึ้นมันนี้เลงมันเ่้อันนี้เลยมัเล่ก็าเงีบานี่เงียบกีบขาดนี่ไมเปนท้ายแค่กูคนเดียวเวลาเแต่ว่ากลงมาเอเยอะแต่สท้ายเมใหม่ตัวติเข้ามาจนายวันนัระุรังผมไดยกเที่ตอกไร่ไปส้างเคื่องั้นเคนมจะี่ยี่ห้าไร่แมนจะได้ตายนี่ก็ไปเรื่องอการมากันก็ต่อไปโเลยนะ อ้าวต่อไปอะไรเนี่ยโอ้พอนี่ประธานพ่อเี่ต้องใช้เลนสที่สองประิทย์น้งเนี่ยอาตระยา่านะว่าเท้าลงพอโรคเจ้าถุกก ร, ออระผมแต่งงานากับภรรยาได้หนึ่งปีต า, ายตั้งปต ระยะหนึ่งปีใ้ผมและภรรยาไม่ยอมไม่มีลกเลยเด็ดขาดสาเหตุก็คือว่าถ้ามีลกแล้วผมมาทำบุญตรอพ่อไม่สะดวกเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วผมก็อยากจะไม่มีลกต่อไปโดยจากทําังคทานทุกระสองสันบาทต้เดือนก็มาตระหนกตระหกใจอยู่นิดสนึ่งว่าจะเป็นบาเป็นดรหรือเปล่าเนาะที่เราไปกับไบาปไม่ได้แค่เด็ก เรื่องหามเด็กกดไม่ได้ฆ่าด็ลบาน้วไม่่บาทนะไม่บาทแงๆเขามีลูกก็ไม่แน้ารักษาของผมตวสองร้ยบาทก็ได้เกดีก็เป็นดีไหมครเกินดีเขางให้แลวรัมแต่คนญี่นจะนที่วัดาตุลนะโอนตั๋วกระนม่ามราชจะมีลูกใช่ข้านี้จากอนะจะาให้ลูกมันน่าจะใสักกนทียมด้วย ไม่บาดนะครับเพราะไม่ได้เป็นธาตุเองปลาข้าน้ำมันตการหลวงพ่อที่จะรักยังสูเรื่องก็มีอยู่ว่าหลานสาู้ลูกจะไปเอาลิงลงตัวหนึ่งมาเลี้ยงไว้เดี๋ยเนี้เดียวก็ลาตัวว่าไอ้ลิงลนนั้นมันขึ้นไปน้มัสตการท่านแม่สีระจิตลูกพูดหลอดแม่ที่มีแม่สีแม่ประพาสีแม่จิตนะลิงลงไปน้ำมันตะการท่านแม่สีละจิตตาตัวว่า ผ้าไหนก็ไม่สากทั้งลิงทั้งแม่เสจมา้างล่างแม่แขนขาดคอหักขาลงมล้วก็ไอ้ความตกใจที่เลยลาคาติดไว้แต่ก็ไม่สบายใจเหมือนกันว่าจะเป็นบาปเป็นกรรมหรือเปล่าที่ทำใหแม่ต้องขาหากคอหักแล้วก็วางสังขัดติดจหมดไปหรือไม่เพราะว่าแม่ไม่มบูรณแบบไปแล้วก็อยากจะมาพึ่งารมีหลวงพอให้ช่วยให้กำลังใจแนะนำให้รูด้วยเถิดเพราะว่าใจดีเก่า มันเลยสามาอถแข็งกาวขาข้ามคนได้โอ้ใช่ใช่ใร่ใช่ใช่ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแปลว่าะไก็เปกเองเราไม่จะเรียนมานตะลึงไม่เป้เรื่องไม่เป็นไรใช่เอากาวติดไปใช้ได้ใช่ไ้่ไหาแม่ไม่ต้งพันกาวนะแม่ใจดีแม่ใจดีจ้าก็ ไป้โฆษณาอย่างนาิกาไม่ไ้เลยเสายตึีสามนาทีนะอีห้านาทีครับอาสาแหลวงพที่ทะลาะกันสูพักฐานเป็นห้านที่หัวพ่อมอบหมายให้ลูกหลานไสภาวนานั้นรางานว่าของแทนข้างว่ามันทะเลาะกันที่ทะเลาะกันนั้นเพราะว่าหาว่าหลวงพ่อรักข้างนั้นมาก ทำใ้บางนั้นรวยเร็วตัวที่ข้างบ้านนั้นจนลงลุพ่อคงไม่ไปช่วยเลยลูกมาตสใจว่าเอ้ยลุงพ่อก็เมตตาให้เอาาไฟอย่างนี้อืมจากจะเรียนถามลุงพ่อว่าลุงพ่อรักลกผู้หญิงมากกว่าผู้ชายหรือลกผู้ชายมากกว่าผู้หญิงเดีรวกนรเท่ากันเท่ากันเลยเหรอครับเออเรียนกายก็ใส่เหมือนกันผมไม่จะเรียนชายเรียนผาไม่มีเรือง เกินแล้เอะเลยให่แล้ต่อกกองแล้วใช่ไอ้่ว่าไอ้น่ภาวนาแล้วรวยตอนที่ภาวนามันยังไม่รวยเลยล้วมันเุอ่าแต่ว่าเรือกรรมเก่าก่อนอาาันี้จะถือไ้จนมาถึงย่างนี้แใช่ใช่เห็นหมือจนได้ได้ใช่แต่คนห่สามาแวต้องกระตากกนานเนี่ยทำว่ามุดนัจะ้เห็นกัน ไม่ต้องกังเกาวันดาลก็ช่วยคราวช่วยขนาเดียวถ้าไม่ทิ้งไม่ฆ่าก็เลยนีทหารต้องภาวนาไปเรืยไปเรื่อยใช่คาใจสบายสบายอย่าไปเลกอยากเลยอามาเป็นมุขติที่เราเป็นสัทฆารีพระเจ้าให้เป็นผู้ทมุขติหอพระคาถาของพ่อที่รับสั่งให้รัสั่งมาใชใช่ใช่ไม่รู้จัก วิ่งพระังม่ทันเ้ากมก็ตายแล้วแต่จบถายมาได้เ0็บติดวเลยวินตัวนี้ได้เก็บิดบาทโอ้ต้องว่าแบบสวายแต่ก็ป่าไม่านเลยไงนะใจใจหน้าเขาไม่ได้รลยเลี้ยงสามหลงพ่อให้ถึงว่าทำไมหนังสือประวัติมุกปู่ปานบางคนอ่านแค่บรรทัดเดียวผลรู้ผู้ตา วานก็นออ่านแล้วมาแหนันไม้คันมืออยากลูกหาจะไป้ีัดในหลอน้อคันไม้ทันมืออยากจะวัดตะตางไปทาบุญที่วัดข้าวกิ้งอยากจะเรียนสายหลวพ่อว่าหนังสือประวัติของปู่ฟานนะหลวงพ่อใส่คาถาอะไรไล้ลูกกาดที่เลไม่เล่นเด็กเลยอ้าวคนอาจจะผู้ชายโยกเรื่องเขามันจะไม่จะหลุดง่าย ก็มาคนอ่านแล้วเปิดประานรุ่นใสได้เอ็พ่อน่อะไรที่ประาเคยเป็นอะไรเคื่องาใครได้เอ็งมาหรือเปล่าใช่่อ็่วมานักนาได้โอเคตามดูมือกัน่อเรน่อยๆเลยได้เลยได้เยได้ยได้ แกโดนผมให้แกโดสมเลยเนี้ยครับผมก็ขอให้ทางหนอะไรนิดเดียวหน่ยผมรักญาติโนนะผมให้หมดเลยไม่ไหวหรออ้าวนีนีก็คือว่าอะารนี่คือหลวงพ่อครับวันพระเจ้าพงวันที่ยี่ที่จะถึงนี้จาที่ถามข้อว่าลูกวรจะเีมอะไรไปบ้างพระเจ้าพงศ์ออะไรขอหลวอบอกมาด้วยลูกต้องการจะก็เอาใจพระเจ้า์เพราะลูกรักถน หนึ่งเนื้ผ้าไปด้วยสองใส่เสืไปด้วยสามต้ i เนื้อผ้าเรไปด้วยเลยนื้อจะลายอทีอาจจะตังไปด้วยไม่ได้ตังโ้โอ้แต่เดี๋ยวไม่ตังถ้ตังสรย่ในต่ายหอผมรู้ว่าทนทา้ไม่ยุ่งเกี่ยวไได้ลทหาร เราไม่ตั้งใจเพราะฉะนั้นจึงต้องเอาทางกระต่ายและจกรยาไปเถามจะไม่จะไม่เล่นามได้ถามๆถ้าเกี่ยวกับเรื่องนั้จะมีป้ายที่วัดอะไรไม่ทราบอะไรอไรค้มฟังคมัมไม่มีครัไม่มีนกถ้าเกิทุกเราไปถามแล้วก็ใช้อะไรกันบ้างใช่ใชจยนได้อ่าทุกนเออวันที่ทอ่อนเราไเราก็เลับแผนท่แบ เราลับอไนเจ็ลาวแมรับอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโาเคโอเคโอเคโ่เคโออเคโอเคโอยคโอเคโเคอเอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโออเคโเอเคโอเคโอเคโอเคเออเคโเคโรเคเคโอเอเคโอเคโอเเอเคโเคอเคโอเคโออคเอคเอค ปัทสุกีทำยังไนปีนี้ทำยังไงใ่ใช่ใชอาดังนั้นก็ประกาศก็เลยว่าสกับญาติรวมลูกหลานที่จะไปในงานนี้นะรถต่อสายลมจะไปพังเนี่ยเขาก็ตึงตรงข้อลงบัตรแพทยนี่จะมีที่อนี้ที่ไปดูาอาวันที่เก็บของแก้วออกข้ามเท้าแล้วก็พังตึงตึก็คนตรงข้อแต่แล้วก็วันที่ยี่สิบเจ็ดเสรนแล้วตอนอาตอนไปสายก็ตามได้อันที่จะไปในงานนี้ก็ไปองตัวทเท่าเติม ไปตามนะไมนมีรถแอร์แต่เป็นท่านนะ้นมีรถ